อยู่ที่ไหนก็มีภาระไปที่ไหนก็มีภาระมนุษย์โลกนะันมัต้องมีอย่างนี้แหละต้องเป็นภาระต้องมีภาระอยู่กับตัวเองก็ยังมีภาระเพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภาระฮเวปันจักขันธานขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักหมดภาระกับขันยังเหมือนภาระกับจิตป่าเนี่ย จิตจะต้องพาท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆอีกอจะทํำยังไงถึงจะเอาชนะจิตใจตัวเองได้ท่นี่มันเป็นขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยเกินเรื่องพลาฮเวปัญจักขันธานี่เรื่องขันทังห้าเนี่ยก็เป็นภาระอันหนึ่งเรื่องภายนอกก็เป็นภาระอันหนึ่งเรื่องหน้าที่การงานก็เป็นภาระอันหนึ่งหมู่พวกเพื่อนภาระโดยมากเป็นภาระกันเกือบทั้งนั้นเหมือนกันทั เนี่ยว่าพราฮาเวปันจักขันทานขันทั้งหะขันทั้งห้าเป็นพระอันหนักจะทํำยังไงจึงจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้มันก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจนแหละ่าไปปล่อยวางข้างนอกก็ปล่อยวางได้อยู่ระดับหนึ่งถ้าไม่ปล่อยวางโดยอยู่ที่ใจมันก็ยังว่านะแบกจนทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ยังละเมอเพ้อฝันอีกเพราะมันแบกแบกภาระออื แต่ข้อสำคัญก็ให้เรามุ่งมั่นนะให้มุ่งมั่นจิตใจให้มุ่งมั่นถึงยังไงอยู่ณนะสถานใดก็ตามอยู่ในสถานะใดก็ตามอยู่ออดงป่าดงพงไพในบ้านในเรือนในสถานใดใดก็าตามให้เราตั้งใจอยู่เสมอว่าข้าไปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจาร ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้าพเจ้าจะทำดีบูชาพระคุณเหล่านั้นยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นและลึกได้หรือไม่นได้ ล, ลึกได้ก็ดีข้าพเจ้าขอบูชานอบน้อมผู้มีพระคุณเหล่านั้นตลอดจนเข้าสู่พระนิพพานอันนี้คือความมุ่งมั่นในใจของเราต้องตั้งใจอย่างนั้นและก็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 อันที่สองก็คือได้ประมาทพลาดพังด้วยกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมต่อผู้มีพระคุณเหล่านั้นอันที่สมก็คือแผ่เมตตาต่อเราเองต่อสรรพสัตว์ทุกทวนหน้าให้มีความสุขอันนี้ ค, คือความมุ่งมั่นในใจของเราถ้าหากว่าท่านผู้ใดเขาตามมีจิตใจมุ่งมั่นอย่างที่ว่านี้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 มันหาความสุขจะหาที่ไหนมันต้องหาที่ใจของเราเองถ้าหาที่ใจของเราเราจะเจอจะเจ อ, เจอความร่มเย็นเป็นสุขจะเจออยู่ที่นี่ถ้าเจอหาถูกช่องถูกทางนะแต่ถ้าหาว่าหาไม่ถูกช่องถูกทางนะความเดือดร้อนที่สุดก็คืออยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกันนะนี่แหละอันนี้ก็คือการวางตัวการวางใจสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ แล้วก็วันนี้เป็นวันพระเดือนสิบเอ็ดดับอีกเพลงหน้าเนี่เพ่งหน้าเนี่ก็เดือนสิบสองเพนแหะปีสี่สิบแปดก็แปลว่าในจันทรคตินี่จบปีพอดีเลยก็ว่าเป็นปีใหม่เนี่ยเดือนสิบสองเพนแปลว่าจบปีเหมือนกับทางโลกเขาเลยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราอย่างงั้นอันนี้ทางจันทรคติทางพุทธศาสนาเนี่ย ท่านถือเดือนสิบสองเพนเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายละปีหนึ่งสี่สามสิบสองสามฤดูฤดูละสี่เดือนเห็จากนั้นไปพอนับไปแลวก็เข้าเขตฤ ด, ดูหนาวแล้วได้ท่นีฤดูฝนในจบเดือนสิบสองเพนเนี่ยนะลอยกระทงฤดูฝนจบท่า น, นี้จากนั้นต่อไปก็เป็นฤดูหนาวจนถึงเดือนสีเพญจากนั้นกับพอออกที่เดือนส่เพนกับเป็นเขต ฤดูร้อนเนี่ยจะจนถึงเดือนแปดเพนเออจากนั้นเข้าฤดูฝนอีกวกปนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วเอ่อวันคืนเดือนปีมันวกปนเวียนอยู่ในแต่ละปีและปีและปีแต่เราก็ให้ความสมมุติของมันว่ามันก็ผ่านไปตามเรื่องของมันแต่มันก็เป็นอย่างนั้นเถอะมันก็ร้อนมันก็หนาวมันก็เย็นเขเลยเราเราก็เลยสมมุติให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่งนั้นนะให้มันลุกให้มันถกถูกกับการเป็นอยู่ของมัน ก็เลยมีสีลฤดูในเมืองไทยในบ้านของพวกเราแต่มันไม่ใช่วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปอย่างที่มันไปอย่างที่พวกพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นแะแต่ที่มันไม่สำคัญมันมันมีอีกได้่ะนี่คือชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มันไปหน้าเลื่อยจ้ะเนี่ยมันไม่วนเหมือนกับเดือนวันคืนเดือนปีมันคืนเดือนปีมันมีอยู่สีลฤดูปีหน้าก็ยังเก่าปีหน้าก็ยังเก่า แต่ว่าชีวิตของเรามันไม่เป็นอย่า ง, ง น, นั้นนี่ไอมหางตาไม่เคยเป็นตีนกาก็เริ่มเป็นตีนกาใหญ่ขึ้นว่า ง, งั้นะเออหนังที่ไม่เคยเหี่ยวก็เหี่ยวเข้าว่า ง, งั้นเถอะฟันที่ไม่เคยโยกเคยคลอนก็เริ่มโยกเข้ามาล ะ, ะผัวที่สุดหลังไม่เคยกรมเคยกรมเคยง่อมก็ง่อมไปเรื่อยๆบ้านีเออแต่วันคืนเดือนปีมันอยู่อย่างเก่าเด้สามฤดูอย่างเก่า แต่ตัวของเรามันไม่ใช่อย่างเก่านะมันไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยพ้นที่สุดแก่ไปเรื่อยเนี่ยตัวเนี่ยไม่ไม่อยู่กับที่อยงงั้นพ้นนั้นในพวกเราสังเกตตัวเองนะอไหลไปเรื่อยอย่างนั้นเราเราจะทํายังไงทีนี้นะเนี่ยเราจะคว้าอะไรใส่กระเป๋าไปด้วยทีเพราะมันไหลลื่นไปเรื่อยเนี่ ย, เ, ยเราจะทํายังไงะจุดนี้แหละสาคัญเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรา เตรียมเตรียมพร้อมอีกสักวันหนึ่งไหลไปไหลไปก็ถึงหน้าผาอะไรทํำยังไงเ อ, อตกต้นไปทางหน้าเลยเ อ, อแต่มันไม่ดับได้ทีนี้แปลว่าร่างกายตอนนี้หมดระบาดหมดสภาพตกลงนั้นเ อ, อแต่รถรถกระโดดตกหน้าผาแล้วเ อ, อแต่คนเดินออกจากรถไปอีก อ, อพอโดดออกจากรถไปแล้วทีนี้มีอะไร พอรถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไอ้ของที่ในรถมีอะไรบ้างถ้ามีกระเป๋าเงินใบบักรใหญ่เบอร์เลอร์อยู่นั้นก็เออยังพออุ่นใจเด้พอโดดออกจากรก็มีเพชรนินกินดาอยู่ในกระเป๋าเอา้ารถพังแล้วชูมันเอาไม่ไหวแล้วรถวันนี้ทิ้งละเพราะมันจะซ่อมไม่ไหวมันต ก, ตกเหวแล้วเราก็เอาของในรถที่มีคุณค่า เพชรนินกินดางเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางต่อไปอถ้าเดินทางต่อไปเรามีเงินเราจะไปเข้าที่ไหนก็ได้บ้านเอร้านเอาหงอาหารจะไปที่ไหนก็ได้ เ, เพอเพอซื้อรถคันใหม่ได้ดีกว่าเก่าอีกเพราะเรามีทุนทรัพย์ในกระเป๋า ไปเมืองผีไม่มีโจรไม่มีผูร้ายได้ป้นอกกันไม่ได้เลยมันไม่มีใครป่นจี้ใครไม่ได้ทั้งนั้นของใครของเราไงแต่เพราะนั้นเมืองผีนี่ซื่อสัตย์บุญกุศลอยู่กับตัวของเราแล้วใครป่นไม่ได้ขโมยไม่ได้คดโกงไม่ได้ของใครของเราจะไปขอกันก็ไม่ได้อีกไปเมืองผีจะไปขอกันกินไม่ได้เลยของใครของเราอีกนี่แหละเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวเอาไว้ อย่าประมาทมันไปดังอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอีกสักวันหนึ่งนะพวกเราจ้องกระโดดเหวแล้วงั้นกระโดดเหวก็คืออะไรก็คือตายนั่นแหละ เ, เมื่อตายไปแล้วออกจากร่างแล้วจิตใจเป็นยังไงถ้าเรามีทรัพย์สมบัติกับยังที่ว่านั่นแต่หาว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติก็ทุกจนแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะที่ให้ทานรักษาศีลภาวนาที่พวกเรากระตะเกียกตะกายพระสงฆ์องค์เจ้า อยู่ในป่ารงพงไพ่เนี่ยับเพื่อบําเพ็ญตัวนี้นะ่ะคือไม่ไว้ใจในชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางว่าคิดว่าจะไม่ตายไม่เป็นนะคนเ ก, เกิดมาและตายไม่ไม่เป็นนะมีอะไรจะเอามาให้มันสุดเหวี่ยงด้วยความสุขว่างั้นเลยนะี่แสวงหาหมดแต่นี้พอมาคิดดูแล้วเนะี่ะความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมันค้นหาไม่เจอออ อย่างโลกเขาหากันเนี่ยว่ามีเงินคำทรัพย์สมบัติพอไปเอาไปเามาได้เงินมามากๆาเขาคดเขาโกงเขาปนเขาจีเอ อ, อย่างได้มากมากมาไม่รู้จะทำไงมีทุกอีกอย่างมีอย่างที่พระพุทธเจ้าใช่ไปล่อยวางทั้งหมดเฮอปล่อยกระทั่งจิตใจของตัวเองอันนั้นคือความสุขสุขในระดับหนึ่ง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 ดีกว่าจนเหนกับรูปพวกเรากเลยหาความสุขในนี่แหละที่มันมีทุกทุกทุกทุกที่มันมีดีกว่าทุกที่ไม่มีพวกเราก็เลยสา ะ, ะแสวงหาทุกในสิ่งที่มันมีนี่แหละงั้นพอประทังเอาไว้แต่ถึงยังไงเราก็รู้แก่ใจว่าถึงจะมีมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งถึงไม่มีมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งนี่แหละ สรุปแล้วก็คือการสาะแสวงหาความสุขที่แท้จริงน่คว้าไปคว้ามาครนไปครนมามันก็หาไม่เจออีกอย่างเก่านั่นผลให้ถูกจุดจบของชีวิตก็คืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยแต่เมันทุกอย่างมหันทีเดียวมรณะภัยมาถึงเข้ามานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ ให้รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้ปัจจุบันนจิตรู้ปัจจุบันนธรรมให้ปล่อยให้วางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าไมา่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในจิตใจนั่นละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายนะวันนี้หลวงพ่อก็ให้แนว ความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายการสั่งสมคุณงามความดีวันคืนเดือน ป, ปีล่วงไปล่วงไปแต่พวกเราไม่ควรประมาทอีกสักวันหนึ่งนะไปถึงหน้าผาหน้าเหวแล้วรถต้องกระโดดลงหน้าผาพอรถกระโดดยุบลงที่นั่นนะตัวของเราไม่ตายเลยออกจากรถไปเรามีกระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าเงินใบใหญ่หรือเปล่าที่จะไป ส, สแสวงหาความสุข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 มนุษย์ที่เขามีความสุขความเจริญตระกูลใหญ่ๆไปเลือกเกิดเอาได้ถ้าเรามีบุญนะเอาตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พรสัพโรคาวินิมตตสัพสันตาปา